สัเสสังขาราอนิจจาสังา้งแต่เือร่างกายจิตใจแค่ลกูกตามน้ำตามทั้งหมดทั้งปินทานไม่เตี้ยเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปกัพเพสังขาราทุกข์ก แกล้งรู้กานาำตามทั้งหมดทั้งส้นมานเป็นสุขุญญาพอเกิดขึ้นแล้วแกเจ็บใายไปสาเพธรรมาอนัตต์จังทั้งหลายทัังควรท่างที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งเิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอธาวังกิรังกิริเป็นของไม่ยังยืนสุวรรณมาตานังความตายเป็นของยั่งยืนอาวสัมมายามิสัพพั เราจะพึงตายเป็นแท้มะระนาบารียาตังเมจิยาตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดยอชีวิตาเมียอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนเมจิยาตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วาตวันที่จะทำเวอางกายร่งกายนี้อาชีรังมีไรร่ังอยู่นานอาเทตวิญญาณโอพระคราสชาวิญญาณตัวตนอ่านเขาทิงเสียแล้วอาชี กับนอนทับภาต้ององเจิมแผ่นดินตาดิงตาลังอีวาาโดนทางว่าทอดไม้และทอดมือเสียดตา